บทที่95าแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายขณะนั่งเรือหางยาวจากหัวเวียงเพื่อมาต่อเรือโดยสารที่ผักไห่ พระเจริญคุ้นคิดมาตลอดทางถึงเรื่องราวที่ได้ประสบในวันนี้เรือมาถึงผักไห่ก็ยังคิดไม่จบจึงมานั่งคิดต่อในเรือโดยสารท่านยังไม่ปักใจเชื่อว่านางสาวเชิญสีเป็นมารดาของท่านเมื่อชาติที่แล้วก็หล่อนอายุน้อยกว่าท่านหลายปีจะมาเป็นมารดาท่านได้อย่างไรคืนนี้คงต้องนั่งกรรมฐาน เพื่อตรวจสอบดูเรื่องที่ท่านได้รับการบอกกล่าวมานั้นจะจริงหรือเท็จประการใดพิกษุนหนุ่มถึงวัดพรหมบุรีตอนสองทุ่มท่านตรงไปยังกุฏิหลวงพ่อช่อแล้วรายงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการหากไม่ได้เล่าเรื่องนางสาวเชิญสีด้วยเกรงจะถูกตำหนิว่าไปทะเลทลหยเป็นเหตุให้งานไม่สาเร็จ แต่ถึงคนขับเรือจะส่งท่านที่บ้านนายสงาก็ไม่ได้พบเขาอยู่ดีเพราะคนบ้านนั้นบอกท่านว่าเขาไปรับติดตั้งเมนที่หัวเวียงเลยบ้านเขาไปหลายกิโลและต้องคอยเก็บเมนกลับเมื่อทางเจ้าภาพเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยไปอีกทีสมพานบอกลูกวัดหากไม่ได้เอื่อนเอ่ยถึงปัจจัย ที่จะใช้เป็นค่าเดินทางวันนี้ท่านต้องจ่ายปัจจัยส่วนตัวไปถึง35บาทเพราะขากลับคนขับเรือไม่รู้จักกันและได้เก็บค่าโดยสารหบาทพรุ่งนี้จะต้องจ่ายมากกว่าวันนี้นึกๆ ก, ก็ให้น้อยใจสมภารว่าท่านมีเงินมากแต่ไม่ค่อยจะยอมใช้จ่ายแม้ในเรื่องที่จำเป็นที่ลูกหลานท่านมาขอคราวละมากๆ ท่านกลับให้ยังไม่นึกเสียดายพระเจริญคิดว่าท่านจะจำไว้เป็นบทเรียนในวันข้างหน้าหากว่ามีโอกาสได้เป็นสมภารกับเขาบ้างก็จะไม่ทำเหมือนหลวงพ่อชอบทำคือจะไม่ให้พระรูปวัดต้องชักเนื้อตัวเองในการทำงานให้กับวัดแต่จะว่าไปแล้วก็ไม่น่าตาหนิท่านเพราะหากสมภารใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย วัดก็คงไม่เจริญดังที่เป็นอยู่โบสถ์หลังงามที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อระเ ร, เรวนี้แม้ปัจจัยส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้หามาแต่หลวงพ่อชอบก็บริจาคปัจจัยส่วนตัวของท่านมาไม่น้อยเหมือนกันถ้าท่านไม่ดีจริงก็คงไม่ได้เป็นถึงสมภารหรอกหนาอย่าไปนึกตำหนิติชินท่านเลยบาปกรรมเปล่าๆพระหนุ่มสอนตัวเอง แล้วเลยเลิกคิดเรื่องสมภารทรงน้ำและนุ่งห่มผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วภิกษุวัไวเบญเจเพศก็สวดมนต์ทำวัดเย็นการครองสมณพเเศดีกว่าครือขัดตรงที่ว่าไม่ต้องวุ่นวายกับอาหารมื้อเย็นจึงมีเวลาอบรมศีลสมาธิปัญญาได้มากกว่าสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จท่านก็เริ่มเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมง นั่งภาวนาอีกหนึ่งชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นการเจริญวิปัสนาภาวนาอันเป็นกิจวัตรที่นักบวชพึงปฏิบัติทุกวันโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความหลุดพ้นจากทุกข์แต่ในค่ำนี้มีจุดมุ่งหมายพิเศษไปกว่าทุกวันคือการได้คุณวิเศษที่เรียกว่าอภินยาจึงเพิ่มการเจริญสมถะภาวนา เพื่อให้จิตมีคุณสมบัติสี่ประการอันได้แก่มีพลังมากสงบซึ้งใสกระจ่างและนุ่มนวลควรแก่การงานพระเจริญเคยเรียนสมถะภาวนาจากหลวงพ่อเดิมมาแล้วและเมื่อไปอยู่กับหลวงพ่อสดก็ได้เรียนวิชาธรรมกายอันเป็นสมถะภาวนาอีกแบบหนึง่งดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่าน พระนุ่มเริ่มเจริญรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นลำดับไปจนถึงจตุตถฌานและฝึกให้ชำนาญคล่องแคล่วด้วยวสีทั้งหาเมื่อเห็นว่าจิตเปี่ยมด้วยคุณสมบัติสี่ประการจึงออกจากจตุตถฌานแล้วน้อมจิตไปเพื่อให้ได้อภิน ญ, ญาบัตดนนั้นบุเพนิวาสานุสติญาณ คื อ, อยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ก็บังเกิดขึ้นท่านเห็นตัวเองในอดีตภาพต่างๆผ่านเข้ามาและผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนภา พ, พยนตร์ที่ผู้ใายหมุนฟิล์มให้วิ่งเร็วจีภาพเด็กชายอ้วนจำม่ำมีพี่เลี้ยงรายรอบมานดาเป็นหญิงสาวหน้าตาหมดจดซึ่งบัดนี้คือแม่เชิญสี คนที่ท่านได้พบเมื่อตอนกลางวันบ้านที่ท่านอยู่ดูใหญ่โตโออาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบิดาเป็นข้าราชสำนักมีตำแหน่งสูงส่งในบรรดาบ่าวไพร่มีอยู่คนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นที่จงเกลียดจงชังของแม่เชิญสีนักหนุ่มน้อยผู้นั้นอายุราวสิบเจ็ด ร่างกายอ่อนแอนบอบางเหมือนผู้หญิงแต่เขากลับถูกแม่เชิญสีใช้ให้ทำงานหนักๆเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถูกหล่อนโบยด้วยแส้จนเลือดไหลซิบๆความทารุณร้ายกาศของหล่อนสร้างความอาฆาตพยาบาทขึ้นในใจของทาตุนมและแล้ววันหนึ่งก็ปะทุออกมาทางวาจา เป็นวันที่แม่เชิญสีโบยเขาอย่างหนักด้วยความผิดเพียงเล็กน้อยบุรุษนั้นชี้หน้าหล่อนกล่าววาจาอาฆาตว่าอีคนใจร้ายกูจะจองเวรจองกรรมกับมึงจะจองล้างจองผลานมึงไปทุกชาติแล้วเขาก็หมดสตินอนฟุบอยู่ตรงนั้นแม่เชิญสีโกรธเกรี้ยวกับวาจาอาฆาต จึงกระหน่ำแท้ลงไปไม่นับทั้งที่เขาสลบอยู่นายโทผู้น่าสงสารสลบสลายไม่ได้สติไปวันหนึ่งครั้นฟื้นขึ้นมาก็ป่วยกระสอะกระแสเดือร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วพวกบ่าวไพร่ด้วยกันก็ช่วยกัน ร, รักษาพยาบาลไปตามมีตามเกิดแม่เชิญศรีก็ใจร้ายไสระกรรมไม่ยอมให้หมดหมอมาดูแล นายโทยป่วยอยู่ไม่นานก็ถึงแก่ความตายเขาตายพร้อมกับพกพาเอาความอาฆาตพยาบาทที่มีต่อแม่เชิญศรีติดตามไปเป็นวิบากกรรมในภพชาติต่อๆไปพระเจริญเห็นกรรมที่บังเกิดกับแม่เชิญศรีในชาตินี้อีกไม่นานหล่อนจะได้รับผลของเวรที่ทำกรรมที่ก่อและหากไม่ยอมอโหสิกรรมต่อกัน ก็จะตามติดไปทุกชาติท่านเห็นจะต้องช่วยหล่อนมิใช่เพราะยึดติดกับภพบชาติว่าหล่อนเคยเป็นมารดาหากช่วยเพราะเป็นหน้าที่ของสมณะที่พึงช่วยเหลือสัตว์โลกถ้าแม่เชิญสีได้จเจริญวิปัสสนากรรมฐานหล่อนพอจะทำให้กรรมนั้นบรรเทาเบ า, บาบางลงได้บ้างและแทนที่จะต้องเป็นเวรกรรมตามติดกันไปทุกชาติก็สามารถที่จะ ทำให้สิ้นสุดลงเสียแต่เพียงในชาตินี้ด้วยการเอาโหสิกรรมแก่กันแต่การที่จิตถึงขั้นเลิกจองเวรจองกรรมกันได้จะต้องผ่านการเจริญวิปัสสนาอย่างแยบยนต์ท่านสมภารช่วยหล่อนได้คือการสอนกรรมฐานให้แต่หล่อนจะปฏิบัติได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของหล่อนเอง จบเรื่องของแม่เชิญศรีก็เป็นเรื่องของตัวท่านท่านเห็นตัวเองเจริญเติบโตอยู่ในบ้านโดยมีแม่เชิญศรีธนุธนอมฟูฟักจนกระทั่งเติบใหญ่ท่านเป็นชีวิตจิตใจของหลอนด้วยว่าเป็นรูปคนเดียวเมื่อท่านเจริญวัยขึ้นแม่เชิญศรีก็แก่ลงแก่ลงและดูเหมือนว่ายิ่งอายุมากขึ้น ความรักที่หล่อนมีในบุตรชายคนเดียวก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นหล่อนจัดหาสตรีมาให้เป็นภรยาของท่านและท่านก็ได้รับราชการในสำนักโดยเป็นนักกรบต้องออกศึกสงครามกับพม่าหลายครั้งกระทั่งมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงแม่ทัพครั้งหนึ่งท่านถูกพม่าจับไปเป็นตัวประกันต้องถูกกักขังอยู่ที่เมืองหงสาวดี นานหลายเดือนทั้งกรุงศรีอยุธยามีได้ขวนขวายที่จะไปรับท่านกลับเพราะพวกทหารนายกองทั้งหลายต่างก็หวังจะได้ตําแหน่งของท่านแต่ครั้นมาดํารงตําแหน่งกลับทาหน้าที่แทนท่านไม่ได้กหล่าคือไม่มีความสามารถและขาดในเชิงการรบทําให้ต้องพ่ายแพ้กองทัพพม่า ในที่สุดทางกรุงศรีอยุธยาจึงต้องส่งแม่ทัพอีกผู้หนึ่งไปรับตัวท่านกลับมาในชาตินี้แม่ทัพผู้นั้นมาเกิดเป็นผู้หญิงมีสติปัญญาสูงส่งและจะเรียนจนถึงระดับปริญญาเอกแต่่อนก็มีกรรมเวรติดตัวมาและต้องชดใช้ในชาตินี้ท่านจะต้องช่วยเหลือ เพื่อตอบแทนบุญคุณที่เคยได้รับตัวท่านจากกรุงหงษ์สวัสดีกลับคืนมายัางกรุงศรีอยุธยาแม้จะเป็นบุญคุณข้ามภพข้ามชาติหากท่านก็ตอบแทนจะได้ไม่เป็นหนี้บุญนายคุณผู้ใดสิ่งที่ท่านปรารถนาในภพชาตินี้ก็คือพระนิพพานเมื่อได้ชดใช้กรรมหมดท่านก็จะได้ปฏิบัติขั้นอุกฤษ เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปแล้วภาพยนต์แห่งอดิตชาติก็ฉายมาถึงตอนที่ท่านออกกรบครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2310อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายจนไม่อาจฟื้นฟูให้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้ไทยต้องสูญเสียอิสรภาพให้กับพม่า มิใช่เพราะคนไทยไร้ฝีมือในการรบแต่เพราะไม่รบจึงต้องพ่ายแพ้สาเหตุที่ไม่รบเพราะขาดขวัญและกำลังใจพระราชาไม่ทรงปฏิบัติภพพระราชภารกิจทรงหมกมุ่นอยู่กับนางสนมกำนันจนม้เป็นอานว่าราชการพวกแม่ทัพในกองจะยิงปืนใหญ่ขับไล่พมา่าก็มีพระดำรัส สั่งห้ามด้วยเกรงนางสนมกำนันจะตกใจขวัญหนีดีฟอขณะนั้นท่านอายุ35กํากำลังอุดมรุ่งเรืองด้วยชื่อเสียงเกียรติยศวันออกรบท่านไปลามานดาแม่เชิญศรีโอบกอดท่านพลางลูบหลังลูบไหลให้ศรลให้พรหล่อนไม่รู้ดอกว่านั่นเป็นครั้งสุดท้าย ที่จะไม่ได้พูดคุยกับลูกสุดที่รักนายทหารคนสนิทที่ติดตามท่านออกรถในครั้งนั้นก็คือนายจันสมซึ่งในชาตินี้ก็เกิดมาเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกับแม่ทัพที่ไปรับตัวท่านจากหงสวัสดีคืนสู่กรุงศรีอยุธยาหล่อนผู้นี้ก็มีกรรมของตัวเองและจะต้องชดใช้กรรมอย่างหนักหนาสาหาัสและ จะมาให้ท่านช่วยเหลือแต่บุญเก่าของนายจันสมมีมากพอสมควรเขาจึงได้มารับใช้พระพุทธศาสนาช่วยท่านเผยแผ่พระธรรมคำสอนและจะเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกการรบที่ขาดขวามและกำลังใจทำให้คนไทยไม่สู้พมา่าแม้กำลังมีมากกว่าและฝีมือก็เหนือกว่า หากต้องพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายท่านบอกในจันสมหนีไปตายเอาดาบหน้าเขาปฏิเสธในตอนแรกและพร้อมที่จะสู้ตายอยู่กับท่านครั้นได้ฟังเหตุผลว่าหากรบต้องตายแต่ถ้าหนีอาจจะไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมาช่วยกันกู้ชาติในภายหลังได้เขาจึงหนีไปทางนครสวรรค์ นาจันสมหนีไปได้ด้วยการช่วยเหลือของท่านส่วนตัวท่านซึ่งเป็นแม่ทัพจะหนีเอาตัวรอดไม่ได้จึงต้องจำใจสู้แม้ขาดขวัญและกำลังใจด้วยฝีมือและชั้นเชิงในการรบท่านไม่มีวันที่จะแพ้พม่าได้แต่ฝ่ายพม่ามีแผนสกปรกใช้กลลศึกวิธีฆ่าท่านจนได้ เมื่อทหารนำศพท่านใส่เรือมาส่งที่ศาลาท่าน้ำแม่เชิญสีวิ่งร้องไห้มาจากบนเรือนผ้าผ่อนท่อนสบายหลุดลุย่ยหล่อนกอดศพท่านร่ำไห้จนปิ่มว่าจะขาดใจและในชาตินี้หล่อนก็ได้มาเกิดอีกรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปจากชาติที่แล้วแต่ยังชื่อเชิญสีเหมือนเดิมภาพยนต์แห่งพพชาติชายจบลง พระนุ่มจึงกำหนดลืมตาท่านรู้สึกสังเวชใจในหมู่สัตว์โลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะกิเลสตัณหาเพราะสิ่งนี้ที่ทำให้มนุษย์ต้องจับอาวุธขึ้นมาเขียนฆ่ากันแล้วเลยเป็นกรรมเวียนผูกพันต่อเนื่องอย่างไม่รู้จักจบสิน้นอำนาจของโลภะโทสะโมหะผลักดันให้มนุษย์ทำกรรมการสู้รบแย่งชิงดินแดน เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะข้างแม่เชิญสีเขี้ยนตีในโทก็ด้วยอำนาจของโทสะพระราชาลุ่มหลงนางสนมกำนันจนเป็นเหตุให้เสียกรุงก็ด้วยอำนาจโมหะแล้วพวกเขาก็ต้องเวียนตายเกิดมาชดใช้กรรมซึ่งกันและกันช่างน่าอานาจใจนะัก เป็นอันว่าท่านได้พิสูจน์แล้วว่าแม่เชิญศรีเคยเป็นมารดาของท่านในอดีตตะชาติและมาในชาตินี้หล่อนก็จะต้องชดใช้กรรมกับนายโทท่านกับแม่เชิญศรีเคยเกี่ยวข้องกันมาในวัฏสงสารและไม่ใช่แต่แม่เชิญศรีเท่านั้นหากยังมีอีกหลายคนที่ท่านเคยเกี่ยวข้องด้วยท่านตั้งใจว่าจะชดใช้กรรมสีให้หมดหมดไปในชาตินี้ ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเกิดอีกท่านเวียนไหววกวนอยู่ในวัฏฏะสงสารมานานแล้วควรที่จะหยุดการเกิดไว้แต่เพียงชาตินี้นึกนึกแล้วก็น่าแปลกที่มนุษย์เราต้องมาผ่านพบกันชาติแล้วชาติเล่าเป็นมิตรกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างเป็นญาติพี่น้องกันบ้างนี่เองพระพุทธองค์จึงตรัสได้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตผู้ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นทิดาของเรามิใช่หาได้ง่ายรุ่งเช้าพระเจริญออกจากวัดพรมบุรีเวลาตีห้าและไม่ได้ฉันเช้าตามเคยไปถึงผักไหท่านพบคนขับเรือหางยาวคนเดิม จึงต่อรองว่าวันนี้ขอราคาสี่สิบนะชดเชยเมื่อวานโยมส่งอัตมาผิดบ้านทําให้ต้องเสียเวลาอีกวันห้าสิบบาทเท่าเดิมแล้วกันวันนี้ผมรับรองว่าจะไม่ส่งผิดบ้านสี่สิบนาดีแล้วนึกว่าเป็นค่าปรับเมื่อวานไงล่ะนั้นหลวงพี่ก็รอลําอื่นก็แล้วกันเขาพูดอย่างไม่ใหญ่ดีหากใจจริงนั้น กลัวจะเสียลูกค้าก็ได้อาตมาจะรออยู่ตรงนี้แหละท่านคิดว่าในเมื่อเขาเค็มมาท่านก็ต้องเค็มตอบบ้างเรืออีกลำแล่นมาจอดพระหนุ่มกำลังจะเดินไปหาแต่เจ้าของเรือคนเดิมรีบบอกว่าตกลงหลวงพี่สี่สิบก็สี่สิบนึกว่าลดให้หลวงพี่สิบบาทเป็นค่าปรับ ท่านจึงใช้บริการข้องเข้าอีกเสร็จธุระจากบ้านนายสงาแล้วขากลับผ่านบ้านแม่เชิญสีท่านจึงบอกคนขับเรือว่าช่วยแวะบ้านมาวานหน่อยอัตมาขอไปพูดธุระกับเขาสักห้านาทีไม่ได้หรอกครงพี่เดี๋ยวผมเสียคิวถ้าแวะก็ต้องคิดเพิ่มอีกสิบบาทเขาถือโอกาสแก้แค้น ถ้าไม่แวะอัตมาจะจ่ายแค่สาสิบขากลับจะให้บ้านนั้นเข้าไปส่งที่ผักไหก็ได้เรือเขามีท่านพูดแบบถือไพ่เหนือกว่างั้นแวะก็ได้ห้านาทีเท่านั้นนะเขาสำมทับพระหนุ่มจึงเดินเข้าไปในบ้านพวกเขายินดีปรีดาเช่นเคยท่านเพียงแต่พูดกับแม่เชิญศรีว่าโยมถ้าอยากเรียนวิปัสสนา ไปเรียนกับอาตมาที่วัดพรมบุรีได้ทุกเวลาขอบคุณเจ้าค่ะแม่เชิญศรีบอกพระภิกษุที่หล่อนเชื่อมั่นนักหนาว่าคือลูกชายในอดีตชาติท่านฉันเพลแล้วหรือยังครับถ้ายังกระผมขอเวลาเตรียมประเดียวเดียวพี่ชายแม่เชิญศรีถามขึ้นขณะนั้นเวลา11นาิกาสบนาทีอาตมาไม่ได้ฉันเช้าด้วยซ้า แต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ขอรบกวนอาตมาลาละและท่านก็เดินไปขึ้นเรือได้รู้ว่าหากเกินไปเพียงหนึ่งนาทีนายคนนั้นจะขึ้นราคาอีกสิบบาท